พนาบุญกับประธานชมรมธรรมะปฏิบัติแล้วก็พนักงานบริษัทเชฟรอนทุกๆ ท, ท่าน <c oughs> ก็รู้สึกยินดีนะที่วันนี้จะได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรม <c oughs> มาเป็นการยานมิตรมาพูดคุย ให้แง่คิดให้กำลังใจเกี่ยวกับเรื่องธรรมะปฏิบัตินี่แหละบริษัทนี้ก็เคยได้ินชื่อนะแต่ไม่เคยไม่เคยมาเนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกใหญ่โตมากไม่เคยสถานที่โอโถงแบบนี้ ในระหว่างที่ผมเดินทางมาที่นี่ผมก็สังเกตนะสังเกตมาตลอดทางว่าระยะทางมาจากที่นี่ถึงที่ขณะที่ผมมาถึงที่นี่เนี่ยมันห่างไกลกันแค่ั้นที่น่ก็ไม่ค่อยไกลหรอกเพราะว่ามันรถติดเยอะในช่วงของการรถติด ก, ก็ดีหรือเดินทางมันก็ดีผมอาจะสังเกตสังเกตผู้คน อยู่รอบข้างอยู่ข้างถนนอยู่ในระหว่าง ท, ที่เขาทำงานทรหาที่ต่างๆดูสีหน้าแล้วไม่ค่อยจะมีความสุขมองหาคนที่มีความสุขยากมากเลยหน้าตาเที่เครียดบางทีเขาซึ้งเจ้าเมื่อร้อยมันคือเป็นบุคคลที่ปมทุกข์ะ ที่บนหน้าบอกบุญไม่รับเคยแหน้าบอกบุญไม่รับพอไปเรียกอะไรหน่อยก็เ้าก็จะบอกว่าใบข้างหน้าก่อนแล้วบอกบุญไม่รับดูแล้วก็มีความสุขเนี่ยที่ผ่านเราเนี่ยก็ยังยังมองไม่เห็นนะที่ผ่าแต่บางแห่งเนี่ ย, ยเคยเคยผ่านเมื่อาวานเนี้ยไปทาราหาร มีโต๊ะอาหารบรรทอนเขาสั่งอาหารมาเต็มโตเลยนะนั่งคนเดียวเป็นชาวสตรีดูแล้วเราเห็นแล้วก็ของอร่อยทั้งนั้นเลยแต่ดูคนที่นั่งอยู่นโต๊ะเนี่ยซึงเมื่อรลอยจิตใจเลื่อนลอยเราก็ดูแล้วคันน่าจะมีความสุขกับการที่จะ ได้รับประานอาหารที่ราคาแทนที่ปลานี้จัดเบอร์สวยอยู่แต่คนที่นั่งอยู่เนี่ยจิตใจเม่มยลอยบ่งบอกตัวว่าไม่มีความสุขี่ยยังมองหาคนที่มีความสุขจริงไม่ได้ผมชอบสังเกตสังเก ต, เก ต, เกตคนที่อยู่ใกล้ตัวคนรอบข้าง ที่กอร์สเกาเราคิดอะไรเขารู้สึกยังไงกับสภาพสิ่งว้อมแบบนี้แต่ความสุขเี็นสิ่งที่หายากมากความทุกข์นี้ไม่ต้องหานะมันอยู่ใกล้ๆเรานี่เองก็เคยอ่านหนังสือในที่กขาเขียนานอินเทอร์เน็ตเป็นหนังสือ าแมกกาซีนบอกว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีงานวิจัยแลพบว่าบุคคลที่มีความสุขมากในโลกคือพระในพุทธศาสนา <c oughs> เขาทดสอบดยการ นำพระที่ปฏิบัติภาวนาเนี่ยไปสแกนสมองสแกนออกมาแล้วผลลัพธ์ก็คือเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นบุคคลที่มีความสุดจๆรๆิงคือพระที่ภาวนาหลักคำในพุทธศาสนามีอยู่ข้อหนึ่ง ชัวเด็ดมาถ้าใครนำเอาไปใชแล้วเนี่ยชีวิตจะมีความสุขเขาบอกว่าเหตุ <c oughs> แห่งความสุขนั้นคือการอยู่กับปัจจุบันดูแลง่ายๆนะอยู่กับปัจจุบันที่นี่แล้วก็เดี๋ยวนี้แล้วก็ หาอะไรทำา้องหางานทำอยู่กับปัจจุบันกับการทำงานงานอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำเลิกมุ่นถึงเรื่องราในอนดีตที่ผ่านไปแล้วแล้วก็เลิกวิตกขังวลสงสัยในเรื่องอนานคตที่ยังมาไม่ถึง อยู่กับปัจจุบันด้วยการหาอะไรทำที่เป็นงานที่เป็นสุจริตมัยิ่งเป็นงานที่ช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวมแล้วก็มันอยู่กับปัจจุบันอย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเหตุของความสุขส่วนเหตุของความทุกข์คือปล่อยจิตปล่อ ย, จยใจบกบุญ อยู่กับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วในอนดีตแล้วก็คิดวิตกกังวลเป็นคนวิตกจังวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอาจจะเคยขึ้นก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่กังวลอะไรนอนไม่หลับร้องน้ำอะไร แ, แล้วในแต่ละวันเนี่ยไม่ทําอะไรเลยถ้าไม่ทําอะไรเลยเนี่ยอันตรายมากนะ มือมันไม่ทําแต่ใจมันทํามากมายบุญวายเพราะนั้นถ้าเราสามารถอยู่กับปัจจุบันให้ได้แล้วก็ทุกอะไรก็ไม่เกิดความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าเราคิดถึงอดีตกังวลถึงอนานคตเลิกปัจจุบนันนี่เป็นทุกข์ไม่มีทุกข์เลยซ้ำไปถ้าเรารู้จักอยู่กับปัจจุบันให้ถูกต้องเนี่ยเป็นเป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา ซึ่งก็ทุกคนทำได้ไม่ต้องธวรมนาหรือซึ่งอะไรหรอก <c oughs> แค่อยู่ปัจจุบันกายอยู่ตรงนี้ใจก็อยู่ตรงนี้เราก็จะพบความสุข้าอยู่ที่ น, นา น, นาแล้วก็มันจะสุขมากขึ้นๆผมยังเคยฟังในทีวีกัาโฆษณาเขาบอกนะความสุขเสริมเสรถ้าอยู่ตรงนี้พร้อมจะเสริมแล้วก็พร้อมจะสริมเคยดนไ มาดูโฆษณาอะไรแเออเพลงก็เพลอ ด, ดีนะความสุขเสิร์ฟเสิร์ฟอยู่ตรงนี้เนะี่ยวอยู่ใกล้ตัวเราแล้วพร้อมจะเสิร์ฟแล้วก็พร้อมจะเสิร์ฟพราะผมจะมาเสิร์ฟความสุขนีน่ถ้าใจคิดเรืรออ่องลอไปก็นอนนี่ไม่ได้รับผมก็พร้อมจะเสิร์ฟเนะี่ยหัวข้อวันนี้นี่ชอบมากเลยนะเป็นหัวข้อที่ชอบ พอที่จะพูดเรื่องนี้ที่ก็อประธานชมลมธรรมบปฏิบัติให้โอ้ข้อว่าการปฏิบัติธรรมสำคัญอย่างไรต่อเราเา <c oughs> ดูฟังเราเครียดนะ <c oughs> มันฟังแล้วเครียดนะใช่ไหมมันเครียดเกิดจากความคิดเราใช่ไหม เนี่ยสิร์ฟความสุขไปแยังจะเคลียบอีกมันไม่ใช่เรื่องเครียบหรอกเนี่ยอันนี้เป็นคําถามนะฮะเป็นคําถามด้วยว่าการปฏิบัติธรรมสาคัญอย่างไรต่อชีวิตมันก็เป็นเรื่องของตัวเราเป็นคําถามอันนี้ผมคําพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นการเฉลยเป็นคําตอบทั้งหมดเลย ถ้าจะสรุปออกมาแล้วนี่มันสั้นเกินไปนีพูดไปก็มีแต่คตําตอบคาตอบคาตอบไม่มีคําถามการปฏิบัติธรรมไม่ใช่เรื่องของคําถามการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องคํำเฉลยมีแต่คํำเฉลยยิ่งปฏิบัติไปมันยิ่งขันเปลี่ยนรัดเข้าไปไม่ใช่คําถามคือการขันเปี่ยนรัดเข้าไปแต่คําตอบคือการคลาย คลายเกียววันนี้ก็จะมาคลายเกียวคลายเกลียวของจิตที่กำลังเครียดชีวิตเราเนี่ยประกอบด้วยกายกับใจหรือกายกับจิตก็ได้จิตกับใจเนี่ยใช้ด้วยกันได้เ็าจะบอกว่าจิตใจแล้วเราจะพูดว่าชีวิตจิตใจได้ยินไหมชีวิตจิตใจ ชีวิตไม่ใช่เฉพาะร่างกายอย่างเดียวชีวิตต้องมีจิตใจด้วยแต่บอกว่าจิตใจมันน่าเป็นชีวิตมากกว่าชีวิตจิตใจนี่เป็นชีวิตที่แท้จริงมากกว่าชีวิตชีวาเคยได้ยชีวิตชีวาถ้าเป็นชีวิตไม่มีชีวาก็คือชีวิตที่ซึมเศร้านอ่อย ชีวิตชีวาจะกระตุ้นร้อนชีวิตที่ซึมเศร้าหรือเซ็งหรือเบื่อก็ต้องเป็นชีวิตที่อาศัยชีวะชีวิตที่มีชีวะจะสดชื่นถ้าชีวิตชีวาไม่ต้องอาศัยชีวะเป็นต้นเดินแท้จริงของต้นต่อของชีวิตมันต้องสดชื่น แต่แปลกในความที่เป็นชีวิตจริงๆนั้นเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแหละนะมันมีแต่ความทุกข์ถ้าเรามองในแง่ของข้อเท็จจริงไม่ช่วยมองโลกในแง่ร้ายมองโลกในแง่ความเป็นจริงชีวิตเนี่ยมีประกอบด้วยความทุกข์ทั้งนั้นเลยลองเหมเาะลองฟังด้วยจิตที่เป็นกันกลางๆอย่าเพิ่งมอง ว่ามันเป็นความทุกข์และหมดเนื้อหมดตัวไปความทุกข์จิตใจเครียดเยียงเงี้ความเป็นกลางการมองในแง่ดีเนะี่ยดีแต่ในแง่ดีนะั้นมันก็มีแง่ร้ายด้วยในโลกนี้มีดีกับร้ายคู่กันแต่การมองในแง่ความเปจริง น, นั้นก็มองสองด้านนึ่งร่างกายมันมีแต่ความทุกข์ และยอย่างทุกที่เกิดจากความแก่ <c oughs> ทุกไหมเวลาแก่เราไม่ทุกเราไม่ทุกแล้ ว, แ, ลวแต่งตัวหนุม่มหรือสาวอยู่ทำไมล่ะทุกข์เพราะความแก่อั น, นี่เป็นทุกขสัจจ์ทุกข์เพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกไหมเวลากายป่วยใจก็ทุกข์ร่างกายก็ต้องถูกบีบคัน้นด้วยความทุกข์หลายๆอย่าง ทุกประกามตายไหนใครไม่กลัวตายบ้างนี่เพียงคำถาม น, นะแต่ว่าไม่ไม่ต้องตอบหรอกก็จะเป็นคำตอบว่ามันก็ต้อกลัวทั้งานแหละนะบางคนบอกไม่กลัวตายแต่กลัวแก่ทุกเพราะเราต้องตัดขาด จากสิ่ทั้งหลายทั้งปวงที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องความพลามัจเป็นทุกข์มากบางคนไม่กลัวตายแต่กลัวความทักพลามบ่อทีความทักพลาดนี่น่ากลัวความตา ย, ตยก็เด้ทำสเกนดูดีๆเวลาเราสึกกลัวตายเนี่ยในจุด ล, ลึกเนี่ยจริงความตายไม่น่ากลัวเลยเพราะเราไม่เคยตาย แต่เราเคยพลากซึ่งมันน่ากลัวมากพลาดพลาดจากที่เรารักพลาดพลาดจากคนที่เรารักแล้วก็าต้องพลาดพลาดจากตัวของเราเองแม้ตั้งร่างกายสมโสมนัสเราก็ยังกลัวความตลาดอยผมใหม่ๆในตอนที่การใหม่เนี่ยเหมือนการคบตายซ่าแต่เราก็ยังกลัวตายมันเป็นซาที่ไม่น่าอยู่ แต่เราก็ยังกลัวที่ร่องจาบไอ้สร้างโซมนนิดไปอันนี้เป็นความทุกข์ทุกมันเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายเนี่ยอยากให้มันสวยมันก็ไม่ตสวยอยากให้มันสุขมันก็ทุกข์อยู่เรื่อยๆอยากให้มันอยู่ในอํานาจควบคุมของเรามันก็ไม่เชื่อเราสักนีดไม่อยากให้มันแก่มันก็แก่ไม่อยากมันเจ็บมันก็เจ็ มันเป็นไปตามคติของมันแต่เราอยากให้เป็นได้ใจเราไม่มีแต่ความผิดหวังทั้งร่างกายโรคไปแค่เจ็บสารพัดปีครั้นทั้งร่างกายและจิตใจเราไหนมีใครโกหกซึว่ามันมีโรคอะไรเลยมีหลายโรควันละหลายโรคไม่ใช่วลาโรควันละหลายโรคมองตรงไหนก็โรคตรงนั้น น, น, นี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายซึ่งมันมีแต่ความแปรปรวน ม, มีแต่ความผิดหวางมขัดใจนะกเราตรงนั้นน่ะสเกตดูร่างกายนะมันขัดใจเราแล้วนะไอ้ที่มันขัดใจเราเน่ยมันทําให้เราเป็นทุกข์ถ้ามันตามใจเราจะเป็นสุขแต่ที่จริงมันไม่ขัดใจเราเราต้องหาไปขัดใจประมันขเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ใจเราไม่ยอมรับนะถ้าใคร ย, ยอมรับได้โอ้โหถ้าแต่บรรลุธรรมยอมรับในความเป็นจริงของร่างกายซึ่งมันยากในความ รู้ในความคิดเนี่ยมันยอมรับได้พูดคุยได้แต่ในความรู้สึกนี่มันยากมันโหงงัวแข็งนั่นแหละคือทุกข์กอกกกของร่ากายเนี่ยเราต้องปฏิบัติฐานก็ว่าเนี่ยทุกข์ของกายนะแล้วทำให้ใจเราเป็นทุกข์ด้วยแต่กาจิตใจก็เป็นการเรื่องของจิตใจเนี่ยเรื่องใหญ่มากทุกข์ทางร่างกายบางทีไม่เท่าไหร่ทุกข์ทางจิตเนี่ยมันหนักหนาสา เวลาเราเหนื่อยร่างกายเนี่ยเราซึกไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แล้วนั่งพักมันก็หายแต่เหนื่อยใจเนี่ยมันเหนื่อยนานเหนื่อยข้ามวันข้ามคืนเหนื่อยข้ามภพข้ามชาตเหนื่อยใจเหนื่อยอกเหนื่อยใจอ่ อ, อนอกอ่ อ, อ, อนใจใช่ไหมมันน่ากลัวมากแล้วนัจิตใจเนี่ยโดยเฉพาะเริ่อของความคิดเนี่ยจิตใจก็มีแต่ความคิด ท้านใจไม่มีความคิดใจมันก็เป็นปกติแต่ท่านใจมันต้องคิดไหนใจใครไม่คิดล้วใจมันต้องคิดอาหารอาหารของใจคือความคิดเราก็อยากจะคิดดีๆคิดแต่เรื่องบุญสมแต่ใจมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันจะคิดในเรื่องที่มันอยากจะคิดนะเราจึงควบคุมมันไม่ได้้นจิดใจมันจะคิด เวลามันเป็นทุกข์ขึ้นมาอยากจะมองโลกในแง่ดีในตอนนั้นมันก็ข้ามไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพราะใจกลาลังถูกความทุกข์ครอบงำจะเปลี่ยนใจเป็นมองโลกในแง่ดีนี่มันยากมากเคยได้ยนไมเขาบอกว่าเธอมองโลกในแง่ดีเลยก็ใจมันยังไม่ดีมันมีความคิดไม่ดีปกคุมตัวจะมองในแง่ดีไม่ได้ก็ต้องเว้นท่วงไป้สักระยะหนึง่ง พอใจมันก็จะคิดอยากคิดจะิ่งที่ดีมันก็ไม่ดีได้บางทีเราก็ปฏิเสธเรื่องความคิดที่ไม่ดีแต่มันก็ต้องคิดอนะ่ะสังเกตไนดะ้เวลาเรากังวลเรื่องอะไรเนี่ยเรากังวลเรื่องอะไรเนี่ยสิ่งนั้นมันจะหมกมุ่นอยู่แต่วามกังวลน่ะเราก็ไม่อยากเราก็ไม่ชอบแต่มันก็กังวลอนะ่ะทั้งที่เรื่องนั้นเนี่ยบางทีมัไม่จริงเลยเคยสังเกตไหมหลายเรื่องที่เรากังวลเนี่ยมันจริงสักทีเรื่องกัน บางทีมันไม่จริงเลยบางทีถึงถ้าเราเขาจริงแล้วก็เกิดขึ้นแล้วก็ได้แต่เราก็ไม่มีปัญหาเลยผ่านได้ผ่านได้แต่เพราะฉะนันน้นะนะนะจิต ใ, ใจเราเชื่อมันไม่ได้เรืว่าเรื่อ ง, งความคิดเราก็ไม่อยากโกรธแต่มันก็โกรธเรื่อยรู้ไหมความไม่อยากนะคือความโกรธ ความไม่อยากไม่อยากโกรธนั่นแหละมันเป็นเชื้ อ, องความโกรธคือมีการปฏิเสธนะฮแล้วเรื่องของความคิดเนี่ยสําคัญมากคนเราเนี่ยเป็นทุกข์ของข้อความคิดต้นตอนตองความทุกข์ก็คือความคิดความคิดมีสออย่างคิดแบบที่เราตั้งใจคิดอันนี้ไม่มีปัญหา คำว่าตั้งใจเนี่ยมันต้องมีสติไม่ค่อยไม่มีปัญหาคิดแล้วมันเลิกมามันจบได้แล้วก็นอนหลับไดแล้วมีความคิดอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจคิ ด, คดสังเกตไ่มความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันพูดขึ้นมาทั้งที่เราไม่ต้องการให้มันคิดแต่มันก็คิดขึ้นมาเราทํางานงเพลินเลยอยมันจะมีความคิดมันโปร่งแตกขึ้นมา เรื่ความชอบใจมัางไม่ชอบใจมัางหุดหุิดบ้างกันวนงวลบ้างสารพัดอย่างซึ่งเราไม่ได้ชอบไม่อยากให้มันคิดแต่มันก็ปรุงขึ้นมาได้แล้วความคิดแบบนี้เราก็เชื่อมันเ <c oughs> ชื่อมันจ น, นเราไม่หลาคนเราเป็นทุกข์เพราะความคิดแล้วก็ไม่เห็นความคิดรู้ไม่ทันความคิดพอมันคิดปรุงขึ้นมาปั๊บเราไม่มีสติ ปล่อยจิตป่เข้าไปอยู่ในความคิดเลยเข้า อ, อยู่ในความคิดกันทีเลยว่าความคิดเป็นเราเราเป็นผู้คิดก็คิดตลอดทั้งวันเห็นไหมคิดทั้งวันทั้งคืนบางทีตอนฝันก็คิดนะตอนหลับนั่นแหละก็เรียกว่าตอนฝันน่นคือคิดตอนที่เราหลับมันคือความฝันเราเคยอยากฝันอยากให้มันฝันดี แต่มันก็ฝันอยากที่มันจะฝันนะ <c oughs> มันก็เก็บไปเป็นความฝันที่คิดทั้งวันก็เหน็ดเหนื่อยบางคนเครียดเพราะความคิดเพราะเราเขา้าด้วนความคิดแล้มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวตนที่ซ้อนในความคิดเลยแลาจะเริ่มมันจะปรุงแต่งมันก็เหน็ดเหนื่อยจนนอนไม่หลับเนยะที่เราไม่ตั้งใจคิดบางคนหูแวว คิดแบบมีใครมาบอกเราให้เราฆ่าตัวตายให้เราไปทำลายคนนั้นคนนี้ทํทาวไอ้ธรมมาบอกว่าเรามีเซนเซทีฟอะไรอยู้นนะ่ะแมันเป็นความหลงนะหลงในความคิดอะ่ะมันจะเซนเซทีฟอะไรหลงในความคิดัแต่ไงน่นะความคิดของตัวเองบางคนเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะความคิด อ, อันนียคือตัวปัญหา เนี่ยทุกข์าความคิดแยะเลยสารพัดอย่างที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวคิดดีเดี๋ยวคิดไม่ดีเนี่ยเนี่ยคือตัวปัญหาน่คือตัวความทุกข์ถ้าเราไม่มีการภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมนะเราจะหลงไปกัโลกของความคิดมากมายแล้วก็หลงติดจมอยู่ในร่างกายที่เกิดแก่เจ็บตาย พ, พลาดๆอย่างนี้หละความผิดหวัง อันนี้ก็รายการมาอันนี้คือทุกข์ของมันแน่นอนถ้าเราไม่ไปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็วนเวียนอยู่เรื่องแนี้ยอยู่ในความไม่เทีย่ยงความเป็นทุกข์ความบังคับบัญชามไม่ได้ของกายและจิตแต่ถ้าเราไปฏิบัติธรรมนะเราจะรู้ทันเรื่องของกายรู้ความจริงเรื่องของจิตแล้วเราจะรู้จักที่จะยอมรับและก็เรียนรู้ ที่จะอยู่กับกายกับจิตที่ในสภาพที่มันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาได้ด้วยใจไม่ทุกนะฮะเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วมันไม่ทุกิจตรงที้เนี่ยอยู่ในท่ามกลางกายกับจิตที่มันไม่แน่นอนนี้อันนี้เป็นประโยชน์มากรเรื่องความดัางทุกขโดยตรงการปฏิบัติธรรมกายจิตมันไม่แต่ความทุกข์งนั้น ถ้าเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เราต้องปล่อยวางกายปล่อยวางจิตให้ได้ถ้าเราปล่อยวางกายปล่อยวางจิตไม่ได้เราก็ต้องเป็นทุกข์กับสภาพที่มันแปลงเปลีนอยู่แบบนี้แหละ <Yeah. S 1> การจะปล่อยวางมันได้นั้นไม <Yeah. S 1> ่ใช่แค่ความคิดหรืออ่านตำราหรือฟังจากคนอื่นแล้วก็มีการปฏิบัติมีการภาวนาโดยว่าวิปัสนาภาวนา วัา น, น, นการภาวนาเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่แปลกภาวนาแปลว่าทําให้มันเจริญทําให้เจริญมุปัสนาแปลว่าเห็นแจ้งคือรู้ความจริงอะไรภาวนาไม่ใช่ว่านั่งหลับตาบนบึ้มบับ้มบึมบัอันนั้นยังไม่ใช่ตั ว, ต, วตัวที่แท้จริงภาวนาคือการมีสติรู้ลงไปที่กาย กับจิตในขณะปัจจุบันเท่านั้นเองซึ่งทุกคนทำได้ใน่อง่างพนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทเชฟรอนเนี่ยนก็สามารถภาวนาได้หรือปฏิบัติทำได้ได้ทุกวันเดี๋ยวนี้ก็ทำได้อยู่ที่บริษัทนี้ก็ทำได้กลับไปบ้านก็ทำได้ อยู่ทีไ่ไหนก็ปฏิบัติทำได้ทั้งนั้นเรื่องของการให้ทานรักษาศีลเราก็ทำมาเยอะแล้วรัวกไอ้ทานก็ได้บุญส่วนหนึ่งกระทอว่าเป็นบุญได้มีการแบ่งปันได้มีการเกื้อกูลได้มีการละซึงความตนมีแต่เราก็ยังโกรธยังโลภยังหลงอยูงง่นะยังทุกข์อยู่แม้จะให้ทานมากๆ หรืว่าเทียนท่านบอกว่าท่านสร้างโบวถ์ทางหลังคนเดียวสร้างขนาั้นแต่ท่านก็ยังโกรธอยู่โบสถหนึ่งหลังเนี่ยมันดับความโกรธทิงก็ขึ้นในจิตใจไม่ได้การรักษาศีลรักษาศีลจะเป็นศีลหน้าศีลแปดศีลเท่าไรก็ตาม เพียงแค่ระ ง, งับเวรภยัยไม่ให้เราไปบีบเบี้ยคนอื่นทําใจให้มีสติให้มันสงบได้บ้างไม่ฟุง้งซ่านแต่มันก็ชนะความโกรธไม่ได้บางทีคนมีสีนมากก็โกรธมากเนีเรามีสินทาไมใครไม่ชมเราว่าเรามีสินําไมเขาไม่เกรงใจเราว่าโกรธหยุดยิบ นั้นศีลเนี่ยรักษากายวาจาานเองไม่ได้รักษาใจโดยตรงแ่ะทาให้ใจนี้เป็นกุศลได้แต่มันก็ยังโลคกรดลงเหมือนกันน้วต้องอาศัยทำบางขั้นที่่องเรียกวกหารภาวนาหรือการปฏิบัติธรรมคือการทำกรรมฐานการมีสติ มารู้ตัวอยู่กับกายกับจิตในขณะปัจจุบันต้องมีการกระทำมนการกระทำ ม, มันจริงเจาชนะความโลภความโกรธความหลงกิเลสในใจได้และทําใจให้เป็นปกติหรือบริสุทธิ์ได้ด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าจะเป็นบุญก็เป็นบุญสูงสุดคือการปฏิบัติธรรมให้ทานก็บุญจนหนึ่งและาศาสนาแค่ส่วนหนึ่ง แต่ปฏิบัติธรรมเนี่ยการทำภาวนาเนี่ยเป็นบุญสูงสุดซึ่งศาสนาพุทธก็มีไว้เพื่อให้ภาวนาทานศนีได้มีมาก่อนแล้วแต่การภาวนาเนี่ยมีทีหลรงหรียกวิปัสสนาภาวนารากงานที่นี่ทำได้เพียงแต่เราจะทำงานอะไรก็ตาม นะเวลานั้นเนี่ยให้เราตั้งใจสั่งใหม่ตั้งใจที่จะทํางานอยู่แดงงานตรงรัศดรการตั้งใจเนี่ยมันจะมีสติแล้วก็จะพาสมาธิมาตั้งมั่นอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําแค่นั้นเองแล้วก็มีสติแล้วเห็นไหมเนี่ยเพียงแต่เราสมมติว่าเราจะเลื่อนปต๊ะเนี่ยโต๊ะนี่มันอยู่ข้างในเก้าอี้อยู่ในอยู่ในโต๊ะใช่ไหม เรเลื่อนออกมาเนี่ยเพียงเราตั้งใจเชื่อเลื่อนออกมาด้วยสติณปัจจุบันนั้นให้รู้ตัวว่ากําลังเลื่อนรู้ตัวว่ากำลังเลือววลเล่อนเทั้เองอะ่ะมันจะเป็นการปฏิบัติแล้วเป็นการภาวนาแล้วจิตปกติแล้วเป็นปัจจุบันแล้วไม่ประมาทแล้วด้วยคือมีสติแล้วง่ายแบบนั้นอะเราไม่ตอบใจ เราเลื่อนองเข้าไปเก็บบรรเดก็ยังไปเก็บือรเดิมด้วยความรู้ตัวนั่นก็เป็นการปฏิบัติแล้วนะ <c oughs> ง่ายๆแต่เรามักจะพอเลื่อนมาแล้วเราก็เลื่อนด้วยความเคยชินไม่ได้ใส่ใจว่าขณะนั้นเรากําลังทําอะไรเราไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเราพลาดเราเลื่อนเข้าอีฟรีๆโดยไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยความเคยชินและใจเราก็จะคิด่นะ เริ่มทางานเนี่ยใจไม่อยู่กับงานมันจะคิดละเริ่มมีความคิดต่างๆกายกำลังทําอะไรเราก็ไม่รู้ขั้นต้นเพียงแต่เวลากายเคลื่อนไหวไปทําอะไรให้เรารู้ณปัจจุบันนั้นเนี่ยนี่เป็นการปฏิบัติเริ่มต้นการปฏิบัติเดิมร อ, อยเป็นปัจจุบันแล้วมีสติแล้วไม่ประมาทแล้วเราจะนั่ง ถ้าเรารู้ว่ากำลังนั่งนี่ก็เป็นการปฏิบัติเวลายืนรู้ว่ากําลังยืนน่นปัจจุบันนั้นเรก็ได้ปฏิบัติเวลาเดินนี่ก็รู้ตัวว่าเรากําลังเดินก็ใช้ได้นะนกําลังเคลื่อนไหวทําอะไรก็ตามถ้าเรามีความรู้ตัวว่าเรากาลังทําอะไรเนะี่ยนั่นแหละคือการปฏิบัติท่างนั้นงาน่ายๆนี่เราเป็นกุศลอะไรเป็นบุญเก็บเกี่ยวบุญเกิดจากการที่เรามีความรู้ตัว ถ้าเราไม่รู้ตัวกับปัจจุบันนั้นนะเราก็จะคิดคิดเหม่อาอยหลงลืมตัวไปทำอะไรก็ผิดพลาดเราทำด้วยความเคยชิ น, เ, นเราเคยให้เวลากับรถในจิตใจก็อยับการขับรถนะเราขับรถด้วยความเคยชิน mm hmm. <c oughs> มือซ้ายถบมือขวาโัรถต่ำเนี่ยด้วยความเคยชินเนี่ย เราไม่อยู่กับการขับรถอันนั้นก็อันตรายแต่เราว่าตั้งมั่นโอ้เรนกำลังขับรถอยู่กำลังรู้อยู่ในแดงงานกับขับรถอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมที่ไม่ประมาทนะเนี่เนี่ยเรื่องของร่างกายการจะเคลื่อนไหวไปทําอะไรถ้าเรารู้ตัวณปัจจุบนันนั้นเนี่ยเราเก็บก็เก็บเกี่ยวสติเก็บเกี่ยวการปฏิบัติเก็บเกี่ยวการภาวนาณปัจจุบันนั้นไม่ฟรีอิริยาบถเราไม่ฟรีนอน น, นั่งยืนเดิน กูเงยก้มเงยมีสติรู้อยู่ตรงนั้นในปัจจุบันเนี้ยมันก็เป็นการปฏิบัติอยู่แล้วในตัวเองเราต้องสะสมไปไเรื่อยๆอันนี้เรื่องของร่างกายซึ่งมันง่ายๆมันใกล้มันเป็นเนื้อเป็นตัวเราไม่ได้ไกลตัวเป็นเนื้อเป็นตัวเราเรื่องของร่างกายเป็นเป็นสุดเด่นยาวที่เราจะรู้ได้ง่ายเห็นได้ง่ายถ้าว่า จ, จิใจมันคิดนึกเ่ใจมันคิดมา อย่าได้ไปสนใจกับเรื่องราวที่มันคิดให้รู้ว่าอ๋อนี่ใจมันเคลื่อนไหวไปคิดแล้วแค่รู้แค่นี้ก็ใช้ได้นะนะรู้ให้ทำเวลาใจมันคิดเช่นเวลามันโกรธขมานะความโกรธในอปรมณ์ที่มันชัดเจนมากอยากโกรธฟรีๆมันก็โกรธได้โดยธรรมดาไม่ต้องห้ามแต่เราก็รู้โอ้นี่มันโกรธนี่ แน่ได้สติได้คะแนนได้การปฏิบัติเรียบร้อยนะและความโกรก็จะค่อยคุเราบวเบาๆอย่างน้อยมันก็ให้รู้ ค, ครึ่งก็คืึมึงรู้ครึ่ ง, งมันก็ไ ม, ม่ค่อยมีกําลังนะความโกรก็ไม่มีกําลั ง, ก, ก, ก, ลง ก, ก็จะไม่ออกมาทางการทางวาจาแหลงับไว้ได้เรื่องของจิตใจพอรู้ธรรมมันก็จบถ้าคนมีสติ ด, ดีๆนะมีการปฏิบัติที่เข้มแข็งจิตมีกําลัง พอโกรธรู้ว่าโกรธความโกรธก็จะหายจากหน้าตาเนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ยต้องรู้ให้ทันถ้ารู้ไม่ทันก็ไม่เป็นไรหรอกเรื่องธรรมดาก็ปล่อยมันผ่านไปแล้วก็รู้ใหม่รู้ไม่ทันก็รู้ใหม่รู้ไม่ทันก็รู้ใหม่เริ่มต้นรู้ใหม่แต่ละครั้งเนี่ยจิตมันจะเป็นจิตดวงใหม่มันจะมีพลัง การรู้ใหม่เนะี่ยมันเป็นปัจจุบันใหม่ซึ่งไม่ทันเมื่อกี้เนี่ยมันก็คือเรื่องขาดไปละแปดีปและก็รู้ใหม่เนี่ยเริ่มต้นรู้ใหม่เนะี่ยเป็นชีวิตใหม่เลยเป็นเคล็ดลับคือชีวิตใหม่จิตดวงใหม่จะมีพลังมากรู้ไม่ทันไม่เป็นไรหลงลืมไปนาหลงลืมบ่อยไม่เป็นไรแต่เ้าเริ่มต้นเริ่มต้นดูเดีย๋ยวได้ไปบงังคับเดี๋ยวได้ไปกดข่มความคิดหรือความรู้สึก นักปฏิบัติหรือใครที่ฝึกเป็นเวลตามอย่าไปกดข่มปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาในจิตใจเพราใจมันจะคลายมันจะคลายตัวเองออกมเก็บอะไรมันจะคลายออกมาเก็บความโกรธมันจะคลายความโกรธออกมาแต่ถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันก็จบอยู่ที่ใจมันไม่ออกมาทางกายทางวาจาสติรู้ทันมันก็เป็นสีเดียดในตัวใช่ไหมเป็นสีอยู่แล้ว ไม่พูดมาทางวาจาไม่ทำร้ายทางกายมันก็เป็นสีลมัมีสติแล้วมันก็มีสีให้รู้ให้ทันเรงั้นโดยเพราะเรื่องความคิดเนี่ยต้องให้ทันถ้ารู้ไม่ทันความคิดเนี่ยจิตเราจ ะ, ตะเตลิดมันจะคิดไปนานแต่ก็ไม่เป็นไรนะถ้ารู้ไม่ทันเป็นไงก็ปล่อยมันผ่านไปก็เมือม่อเราไม่ทันเรื่องธรรมด า, าก็รู้ใหม่สิ ความคิดเราไม่เที่ยงเราพรู้ทันมันก็ดับคือมันไม่ดับมันก็จะดับโดยตัวมันเองอยู่แล้วเพราะมันก็ไม่แน่นอนอยล้เราจะรู้จักติดใจเราเองกันตรงนี้แหละให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปรู้ทในแล้วปล่อยให้ผ่านไปปล่อยให้มันคลายความคิดแล้วออกให้มันคลายมาสักเราเดี๋ยไม่ห้ามหรอแต่เราคอยรู้ยรู้ทันนักปฏิบัคือแค่สังเกตรู้สช่ ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปบังคับอะไรแลาวสิ่งนั้นมันก็จะหาจะใจจิตใจเราเรื่อยๆมันจะผ่อนคลายฝึกตรงนี้บ่อยๆฝึกให้เกิดความเกจิตการขยันรู้สึกตัวขยันมีสติเนี่ยเท่ากับเป็นการสอนจิตสอนจิตให้รู้ให้รู้ให้รู้สึกให้รู้สึกมากกว่าที่จิตมันจะคิดตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยใช้ความคิดตลอดเลยความคิดนําความรู้ตัว คิดไปแล้วทําไปแล้วพูดไปแล้วจึงมารู้ตัวทีหลังว่าเราไม่น่าทําอย่างนั้นไม่น่าพูดอย่างนั้นใช่ไหมเพราะเราเอาความคิดนําแล้วก็เชื่อความคิดมันคิดขึ้นมาได้แต่เราไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ได้ให้รู้ทันให้ผ่านความรู้สึกตัวให้ผ่านสติซะก่อนถ้าผ่านสติแล้วมันจะคลายตัวบางทีมันอยากจะคิดอยากจะพูดอยากจะทําแต่พอรู้ทันปั๊บางทีไม่ต้องทําก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นท่าของความคิดเป็นท่าของอารมณ์สเสมอไปเราจะได้เป็นอิสระเหนืออารมณ์คําว่าอิสระเนี่ยไม่ใช่ว่าอิสระที่จะทำตามอารมณ์นะ <c oughs> อิสระแ ท, ท้จริงคืออิสระที่จะไม่ทําตามอารมณ์อันนี้อิสระที่แท้จริง <c oughs> และเราจะรู้สึกเรารู้สึกตัวไปทำไมก็รู้สึกตัวเพื่อจะไม่ให้มันหลงหลืมตัว รู้สึกตัวเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมรักษากายวา จ, จาใจให้เป็นปกติถ้าหลงลืมตัวเนี่ยมันก็ทํตาตามกิเลสกเลสคืเครื่องเศร้าหมองก็เพรลงจิตใจเราใเป็นทุกข์ถ้ารู้ตา้งรักสิ่งนั้มันก็จะคลายตัวเองดงเนี่ ย, ยมันเป็นการปฏิบัติตวเองแท้ๆให้เรามีความรู้ตัวชีวิตจะไมะ่ค่อยพลาด มันผิดก็แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีไม่ได้ผิดนาและผิดซ้ำํำซากอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็เพลินกับการทํางานอยู่กับการปฏิบัติไม่ถูกความคิดรบกวนให้เบื่อน่ายในการทํางานด้วยทําเนี่ยอย่างมีญาติธรรมเ ป, ป็นด้านปฏิบัตินะมาพูดคุยบอกว่าเขากําลังปฏิบัติทำ กำลังเดินจงกลมโอ้ถูกความคิดเนี่มันลุ่มเล่าแทบจะเป็นบ้ามันก็จะเป็นบ้าอยู่แล้ว <c oughs> มันคิดมากนะขณะขณะเดินจงกลมนะมีสติเดียวเดียวก็มีความคิดมากม า, จากจนเขาจะเป็นบ้าเขาว่าถามว่าเขาจะเป็นบ้าไหมเขาจะเขาจะบ้าอย่างาเรารู้ตัวไหมรู้ <c oughs> โอ้ทำไมรู้ตัวอะไรอยังไปบ้า <c oughs> คนบ้าคนที่ไม่รู้ตัว ถาอยู่ความรู้ตัวนะอย่าอยู่กับความคิดถ้าไปอยู่กับความคิดเนี่ยมีติดเป็นบ้าได้เพราะความคิดนี่มันพาไปฆ่าตัวตายนะความคิดพาไปโรงพยาบาปโลภกิจโลภศาสตนะความคิดทำให้เราฆ่าตัวตายได้นะฮะเพราะเราหมดเขาเป็นโลกความคิดถ้อความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะเห็นความคิดผ่านมาแล้วก็ผ่านมามันก็ปลอดไปความรู้สึกตัวหรือการมีสติ ที่คนก็บอกว่าอันนี้ก็มาหายาติธรรมเหมือนกันบอกว่าเขาก็รู้ว่าเขามีความอยากจะได้อะไรสักอย่างเกิดปัญหาเกิดความอยากไม่ได้ว่าอยากจะได้สิ่งของเสีนดิวว่งเขาก็รู้ว่ามันเป็นความอยากซึ่งเป็นอกุศลแต่เขาก็ยังทาตามอยู่ยังไปแสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ววงทนเวขาบอกอย่างนั้น เขาก็รู้ว่ามันเกิดความอยากแต่เขาก็ต้องทําตามความอยากทุกทีใครเป็นมั่งก็รู้ว่าความโกรธไม่ดีนะแต่มาทำไมโกรธบ่อยนักเกินมันก็เป็นธรรมดาเพราะว่าจิตใจเราเนี่ยยังไม่มีกําลังพอกําลังจิตมันยังน้อยเหมือนคนที่กําลังน้อยแล้วก็ไปยกของหนักๆ ก็ไม่ไหว่ไหจิตเลยไม่มีกำลังการที่เรารู้ว่าอ๋อเรารู้แล้วว่าเกิดความโกรธแต่ทำไมความโกรธไม่ระงับไปทําไมทวีความรุนแรงขึ้นทําไมเอาชนะมันไม่ได้ทีเพราะจิตเราไม่มีกำลังแค่รู้นะี่เราก็ได้รู้ทันแล้วแต่ว่าเรายังว่ามันไม่ได้ต้องมีการฝึก เ, เรียกในรูปแบบนะ เราใช้ยุบจมวันเนี่ยยังไม่พอต้องมีรูปแบบเป็นอาหารเสริมรูปแบบในการนั่งภาวนารู้ลมาหายใจรู้กายเคลื่อนไหวแล้วก็เดินจงกรมหรือการใช้คําบริกรมรมอาหารณาเ น, น, นี่ยนั่นคือรูปแบบเอาไว้ปฏิบัติตอนที่เราว่างๆนะตรงนั้นแหละเป็นรูปแบบเพื่อเป็นการฝึกจิตให้มันเข้มแข็งให้มันมีกําลังสักหน่อย เวลาไปใช้ในชิตประจเนี่ยสติเนี่ยมันจะมาทันแล้วมันจะมีกำลังสามารถเอาชนะอารมณ์ที่เรารู้ทันมันได้สติรู้ทันถ้ามีปัญญาเนี่ยมันจะปล่อยอาวางเลยถ้ามีปัญญาจะเห็นว่าสิ่นั้ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างเช่นความโกรธมันเกิดความโกรธปั๊บถ้ามีสติรู้ทั น, นรู้เฉยเฉยรู้วิ จ, จที่เป็นการกลาเป็นปกติ โดยธรรมชาติโดยที่ไม่ปักไสนะโดยที่ไม่ลังเกียจรูร้แบบไม่ปฏิเสธรู้แบบยอมรับอ๋อนี่มันโกรธสักยันหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าความโกรธเนี่ยมันจะคลายตัวลงคลายตัวใครอดทนดูความโกรธไหมหรืออดทนที่จะโกรธอยู่เลย <c oughs> เราทนที่จะดูดีใจป ก, ป, ก ป, กปกติโดนที่ไม่เป็นเตลเลย เราเห็นว่าความโกรธนี่มันเป็นอาการที่มันบีบคั้นอดทนรูห้หน่อยมันบีบคั้นจิตใจเราให้เล่าร้อนความโกรธคือว่าเป็นนรกนรกในใจใจ ใ, ใจเรานี่มันลเล่าร้อนสักพักเดียวเนี่ยยามันก็หายไปความโกรธมันก็มีเที่ยงเห็น ไ, ไหมเห็นความไม่เที่ยงในความโกรธเห็นความทุกข์มันบีบคั้นตัวเองความโกรธนี่ไม่ใช่บีบคั้นใจเรานะ เพราะเราเข้าไปอยู่ในความโกรธมันก็บีบคั้นใจเราแต่ความโกรธบีบคั้นตัวมันเองให้มันอยู่ไม่ได้มันเหมือนระเบิดเวลามันก็ระเบิดตัวมันเองไงแต่เราเข้าไปอยู่ในความโกรธแล้วก็มันก็ระเบิดใจเราตัวเองเราเป็นผู้ดูผู้รู้อย่าเข้าไปเป็นยับยั้อ๋อนี่ความโกรธเลอะโอ้ความโกรธเป็นอย่างนี้เองเ mm, ลอะเนี่ยดูเลยวิเช่นเมันกดอยู่อยได้ไหมอยากอยู่กับมันนานๆ พอเรารู้ทันบางทีปั๊บเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะพอปกรธก็อายนะอายสติที่รู้ทันนะมันก็จางไปโอ้มันไม่มีไม่มีตัวตนอยู่จริงเห็นความเป็นอนัตตาซึ่งความโกรธมีอยู่แต่ไม่มีตัวตนอยู่จริงมีใครโกรธข้ามวันข้ามคืน้มีมใครโกรธตลอดเวลาบ้างถ้าใครบอกว่ามีไม่ได้นั่งตรงนี้หรอก คนโกรธบ่อยๆมากมันอยู่โรงพยาบาลแล้วหลักจิตจมนทนไม่ได้มันเครียดมันต้องมีช่องว่างให้มันหายไปนะหายมีโอกาสที่จะหายเป็นช่องว่างอาจจะโกรธใหม่ขึ้นมาได้แล้วมันก็ต้องหายในตัวมันเองต้องถูกบีบคั้นในตัวมันเองแล้วมันก็หายแล้วก็เกิดใหม่ถ้าเราเป็นสติรู้ทานมันจะตัดวงจรของความโกรธมงไได้เยอะพอรู้ทันปั๊บ ที่รู้ทันและจิตที่ปกติความโกรธก็จะหายถ้ารู้สึกตัวบ่อยๆให้ต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยความโกรธมันก็ไม่มีช่องที่จะแทรกเข้ามาในจิตใจ <c oughs> นั้นรู้ตัวอย่างเดียวนั้นมันจะเอาชนะความโกรธได้เห็นบ่อยๆเขา้าอ๋อความโกรธมันไม่แน่นอนนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปไม่มีตัวตนอยู่จริงถ้าเกิดปัญญาปล่อยวางมันได้ต่อไปจะโกรธทําไม ประปวดทีไรมันก็ทุบทุกทีปวดทีไยมันก็หายไปทุกทีไม่ต้องปวดไม่ต้องเชื่อความปอดอัจฉริความปดดวดได้ดูแลเป็นเรื่องยากแต่ลองเถอะเรลองทา้าทายที่ลองทําดูเราดูด้วยใจเป็นปกติไม่เป็นที่เตือนสิสิ่งนั้นมันก็จะหายไปเพราะเนี่ยก็เรียกว่าจิตมันจะมีกําลังมากขึ้นต้องมีการฝึกในรูปนะในอย่างเนี้ย จมลมธรรมะปฏิบัติเนี่ยเขต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติใช่ไหมทําให้มันมาในรูปแบบเพื่อเป็นการให้อาหารเติมกับจิตใจเราฟื้นให้มันมีกําลังต่อไปเวลาไปใช้เนี่ยมันง่ายมากมันง่ายเลยลวลาเนี่ยมันมาได้ไวสติมาได้ไวแล้วทําบ่อยๆเนี่ยมันจะเคยจริงที่จะเกิดสติเคยจิตที่เกิดสติอะไรก็ตามเราทําบ่อยๆสิ่งนี้จะเกิดขึ้นบ่อยๆในใจเราเห็น ไ, ไหม อะไรทํำบ่อยๆจะเกิดขึ้นบ่อยๆในใจเราเรารู้สึกตัวบ่อยในสิ่งเป็นบ่อยจะเกิดบ่อยมากถ้าเราไม่ทำสถึงในทีนั้นก็จะไม่เคยเกิดเราฝึกดูใช้ในชีวิตประจำวันได้ดีมากอย่างเนี่ยพี่เนี่ยคุณวิระเนี่ยเนี่ยทถ่ายจ้างภาพมือเดียวเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความทุกข์มากชีวิตเขาเนีประสบผลสาเร็จ เขาเป็นได้ร <Yeah. So, S 1> ับรางวัลเหรียญทองจากที่ญี่ปุ่นในเรื่องการถ่ายภาพนะกำลันตีเลยกลับมาอยู่เมืองไทยในทำงานเยอดรายได้มีจากการทำงานทำงานทั้งหมดวันเนื่ยไม่คยได้พักยี่บสี่ชั่วโมงก็ทำงานทั้งยี่สี่ชั่วโมงเวลากินก็ทำงานแล้วนอก็ทำงานใช้ร่างกายเปลืองเกินไป ใช้สมองคิดเปลืองใช้ความคิดเปลืองเกิดมีปัญหาทาด้านสมองเสื่อมในสมองต่าต้องกลายเป็นอั ม, พ, อมพาตอัมพาตนะว่เดินไม่ได้ตอนก่อนนี่ยดกก็เริ่มนี้ก็เดินได้แล้วละ่ะช่วยตัเองไม่ได้หลงลืมอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเป็นว่าประสบของเัเอแล้วที่อตอมาเปลี่ยนแปลง มันก็มีความคิดนะ่ะความทุกข์มันไม่ยอมไม่ยอมที่จะหายไปด้วยความทุกข์ก็ทวีมากขึ้นคิดแต่เรื่องราวแนวดีอาไล่แต่เรื่องอดีตกังวลถึงเรื่องอนาคตก็จะอยู่อย่างไรมีครอบครัวมีภรรยามีลูกกำลังจะประสบกันแต่ว่ามีอาการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็ทําใจได้ยากเหมือนกันคิดจะฆ้าตัวตายทุกวันร้องไห้ทุกวันทะเลาะกับภรรยากับลูก ครอบตัวเนี่ยเรียกว่าอยู่กันแบบรัก ส, งาสา่งสัยไม่มีความสุขเลยเป็นทุกข์มาหลายปี7จแปดปีก็ได้มาเจอวิธีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมาเจอวิธีการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีความสว่างในใจฝึกเจริญสตินะฝึกยกมือข้างเดียวนี่มือข้างเดียวเยวนี่ยคุณมีถังเนี่ยมีพิมพ์มแล้วก็ยิ่ถ่ายรูปถ่ายอยู่ข้างเดียว ยกมือส yeah, so ิจังหวะในลูกวัดเทียนนะยกไม่ถึง14ได้แค่เท่าไหร่7จังหวะนี่ยหนึ่งสองสามสห้าหกเ็ขาต้องยกสองือสจังหวะคุยได้มือช่ไม้เาใช้มือเดียวก็เะรู้สติได้พลิกมือแล้วก็รู้สึกยกมือรู้สึกเอามือเข้ารู้สึกเนี่ยเรียนมารู้สึกเนี่ยรู้ รู้รู้ข้างเดียวมันเลนั่งฝึกอย่างนี้ยหศรัทธาในการปฏิบัติเพื่อความบนทุกพอยู่กับการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยจิตมันก็ไม่ปรุงแต่งไปหมกมุ่นเรื่องของความคิดในอดีตไม่คิดไปหมกมุ่นเรื่องอดีตแล้วก็ไม่ได้ริดตกกังวลถึงไหนนะเพราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยจิตมันเริ่มมีการคลายตัวขึ้นมานี่เป็นรูปแบบที่ฝึกอยู่ข้างเดียวคนเดียว แล้วก็ยื่นมาอยู่ที่ชมรมเพื่อคุณธรรมนี่ก็มาอาสาอาสาใส่ซีดีเอาซีดีเนี่ยใส่ไปในพลาสติกเนีย่ยตึ้งมันบบใส่เข้าไปคิดวิธีการใส่ดีดีจับซีดีมาแล้วก็ใส่เข้าไปในซองแล้วก็หยิบมาวางด้วยความรู้สึกตัวนะหยิบซีดีมาใสา่แล้วก็ออด้วยความรู้สึกตัวเป็นการฝึก สติเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมภาวนาเลยมันหมายก็ทําได้ยากนะเอ๊อที่ทำได้ยากน่ะสติมันเกิดดีนะพยายามก็มีสติมีสมาธิใส่วันหนึ่งเนี่ยสองพแผ่งทําลายดิติตในชมรมคนสองหมู่สู้ไม่ได้วันเดียวนะเวลาเวลาทานข้าวกับเข้ า, ขาขนั้นท์และประสาทสัตสนุกอยู่กับปัจจุบนันด้วยการเจลสติกับการใส่ซีดีต้องจีดมีความสุขขึ้นมา มีความสุมีความหวังขึ้นมาตอนนี้กลับไปทำงานเป็นหลักของครอบครัวเมื่อก่อนโปรดภระยาภริยาต้องเอาใจเดี๋ยวนี้ต้องเอาใจภริยาภรรยากลับขี้โกรธ <c oughs> เอาใจเนี่ยอยู่ด้วยการปฏิบัติทรรมแท้ๆเช่นเดียวกันผมก็เหมือนกันแค่ท้ายีวิตเขาผมตอนมีการใหม่ๆกันในหม่ ผมว่าทำใจไม่ได้จิตใจก็คิดอายุ24ชีวิตกำลังลุ่งร้อนร่างกายกําลังเคลื่อนไหวเป็นปกติกําลังหนุ่มกําลังแน่นว่าจะต้องมาพิการไปไหนไม่ได้นอนบแอยู่เตียงคิดดูความคิดจะบ้านน้อยแค่ไหนอหะไรแต่ก็ดีโอเรานี้แล้วเรามาดี้แล้วเราไม่น่าเลยอนาคตเราอยู่อย่างไรใครจะมาเลี้ยงอยู่หรือเกังวลถึงเวลานจิตใจไม่อยู่ปัจจุบัน สายนอนพลิกมือเล่นเนี่ยเจริญสติแนวหลวงพ่อเทียนคือรู้สึกตัวไปกับการเคลื่อนไหวและก็รู้เท่าทันใจที่มันคิดนึกนหลวงพ่อคาเขียนผู้ที่แนะนําให้เรานอนฝึกนอนพลิกมือเล่นเนี่ยคุณวิระทําได้เจ็ดจังหวะผมพิการมากเลือแค่สองจังหวะพลิกมือหงายก็รู้สึ ก, กมีความรู้สึกว่าละสองจังหวะครั้งละสติกับเคื่อนทีละสองทีละสสติ ก็ทำเหมือนกันทั้งวันก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับมันก็เริ่มรู้จักตนเองชีวิตมันก็ดีขึ้นมนได้ถ้าผมไม่มีการภาวนาไม่มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยผมก็ถูกความคิดมันกินหัวเป็นโรคจิตโรคประสาทอาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วก็ได้ไม่อยู่มาถึงสามบสามปีที่ได้หรอกเพราะอาศัยการปฏิบัติธรรมและอยู่อย่างมีความสุขมาก ไนะม่ได้โกมันมีความสุข ม, มากการอยู่กับปัจจุบันด้วยการปฏิบัติธรรมมันจะมีความสุข ม, มองหาความทุกข์ไม่เจออะไรที่เป็นความทุกข์เกิดมาในกายในใจมันรีไซเคิลมากลายเป็นบทเรีของความสุขทั้งนั้นเลยเนี่ยเป็นผลของการปฏิบัติธรรมเพรานะฉะนั้นคนที่ <c oughs> ใช้ชีวิต แบบไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ภาวนาเนี่ยมันจะมีแต่ความทุกข์รุมเร้ามันจะถูกความคิดลกวนมากจิตใจมันเต็มไปด้วยความขัดข้อง เ, เวลาร่างกายป่วยไข้ตรงนี้สำคัญมากถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมเนี่ยจิตใจจะหมกมุ่นอยู่ความทุกข์ทงร่างกายมีความกลัวมีความกลัวแล้วก็ มีปัญหากับคนรอบข้างเอาแต่ใจตัวเองมันก็ไปทุกข์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจเลยจะไม่มีที่พึ่งสักวันหนึ่งเรต้องนองอยู่ ICU เพียงคนเดียวเราจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีการปฏิบัติตามเป็นเครื่องอยู่ต้องอยู่บนเตียอย่างนี้แล้วก็ทำใจอย่างนี้ไม่ได้แล้วเวลาจะตายคนที่ไม่ได้เจริญสติไม่ได้ปฏิบัติเนี่ย เวลาตายเนี่ยก่อนจะตายเนี่ยจะว้าเหวมากจะเป็นทุกข์มากมันจะขาดสติถ้าตายแบบขาดสติขาดการปฏิบัติธรรมแล้วมันก็ทุกขติไปที่ ว, ว่างไ้ที่มีแต่ความทุกข์สมพนที่ดําเนินชีวิตการปฏิบททัติธรรมพอฝึกการปฏิบัติธรรมไว้ในยุทธจำวันเนี่ยจะอยู่แบบมีความสุขมากกว่าความทุกข์นะ จะหาความถุกได้ง่ายกว่าความถุกเวลาป่วยไข้มันก็มีที่พึ่งเวลาพบกดความผิดหวังมันก็ทําใจแล้วก็ยอมรับได้แล้วมัแก้ปัญหาใจตัวเองได้เวลาตายก็ตายอย่างมีสติไม่หลงตายสาคัญนะสึกชิงพบสุดท้ายเนี่ยถ้าเราไม่สึกฝึกภาวนาไว้ก่อนเนี่ยถึงเวลาจะตายมันจะว้าวงอ้างวาง ไม่มีใครช่วยเราได้สติมันจะเกิดขึ้นมาเองถ้าเราฝึกไว้เป็นประจำชีวิตที่อยู่เนี่ยมันก็จะมีแต่ความสุขมากกว่าความทุกข์อยู่ก็มีความหมายเวลาตายก็ยังมีความหวังว่าไม่ตกอบายแน่นอนถ้าไปเกิดก็ไปเกิดดีสุขติและไปเกิดดีนั่นการภาวนานิะโยชน์อย่างนี้แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการ ปฏิบัติตัวเราเองปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติตัวเราเองทำบุญให้กับตัวเราเองเราจะได้รู้จักตัว เ, เองมากยิ่งขึ้นคือรู้ความจริงว่ากายจิตเนี่ยมันเป็นยังไงนมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันควรยึดมั่นถึงมัน่นหรือไม่เนี่ยถ้ามายึดมั่นถึงมั่นจะทำยังไงแล้วก็มีสติมีญาติใช้กายกับจิตเนี่ย ไปทำประโยชน์ทำสิ่งที่มีคุณค right? <Mid> ่าแต่ที่ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเราจะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นไม่พาร่างกายไปกินสิ่งเสืติดไม่พาจิตใจไปโกรธไปทุกข์จะทำแต่สิ่งที่มีคุณค่าช่วยตนเองแล้วก็มีคุณค่ากับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นจะมีประโยชน์กับคนในสังคมและคนรอบตัวเราด้วย เราจะเกื่อนกลุมคนอื่นตลอดเวลาเลยมองความทุกข์ขออื่นนั้นคือบุคคลที่เราสงสารเขาเลยช่วยจะมีความเรื่องเมตตาประจําจิตประจําใจจะไม่มีเบียนไม่ม้บียนใครคนที่ปฏิบัติธรรมนี่จะไม่มเบียดเบียนใครและอายชั่วครวบไม่ทําอื่นให้เดือดร้อนตัวเองก็ไม่เดือดร้อนมันก็เป็นสีเงิงนตัว ความทุกข์จะลดลงจะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยนี่ก็เป็นคำตอบที่พูดทั้งหมดนคือคำตอบที่เกิดจากคำถามว่าการปฏิบัติธรรมสำคัญอย่างไรต่อชีวิตก็คงจะได้รับประโยชน์บ้างมากกันน้อยเนาะนจำเท่าที่จะจำได้ ไอ้จำไม่ได้เราก็ไม่ต้องจำผมจำไม่ได้ก็ต้องอนุโมทนาบุญนะเนี่ย <Jub> ก <ilee> ับประธานจมลธรรมบัณ <als> ิบ <playoffs> ัิแล้วก็พนักงานที่ทำงานอยู่ในบริษัทเยบรัมทุกๆคนเนี่ยอนุโมทนาบุญที่ได้มารับฟังธรรมใัวันนี้สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกท่านเนี่ย ก็มีความจเจริญในธรรมมีความผาสุกมีสติปัญญาภาจิตปัญจพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคน